س ا ل ا ه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه و ص ف ب ه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميمين و ا ن ت ب ع ه م بحسن ا اليوم الدين و س ل م تسليم كثيرة <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. กรที่โลกนี้มีมนุษย์กับยินชีวิตสองประเภทมันคือโครงสร้างชีวิตที่มีปัญญาในโลกนี้ที่อศาศัยอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะชีวิตที่มีปัญญาอีกชีวิตหนึ่งคือมาลาอิกแต่มาลาอิกไม่ได้อศาศัยอยู่ในโลก มันเลก็ไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้ใช้ชีวิตกับเรามัเลก็ไม่ได้อยู่ในสถานะเป็นคนที่จะต้องคนขวายสะสมความดีหลีกเลี่ยงความชั่วแล้วจะไปถูกสอบสวนมันเลก็ไม่ใช่แต่หินไม่ใช่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยอายะที่พูดถึงเรื่องหินและมนุษย์ในการพิบักษา ของฮวนปรโลกที่จะมีการสอบสวนอินและมนุษย์ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่ที่น่าสังเกตว่าไอ้ยกษ์นนั้นนี่นะอัลล์ู้กันยีนก่อนย่ามาเชิญจินนี่ก็ดีสักสัตวมันลิอพวนพวกเจ้านี่มีพรรคพวกจ บรรดามนุษย์เยอะเลืกินถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะะน ะ, ะน พ, พวกเยอ ะ, ะนะเนี่ยพวกเยอะนะซึ่งมันเ ป, ป็นเรื่องแปลกยินพวกเองเรื่องอะไรภาษาอะไรไปได้เพราะพวกจากมนุษย์ซึ่งมันมันเหมือนไปไปพูดกับมนุษย์บอกว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนตาเยอะแล้วนะเงี้ยเพื่อนนี่เป็นงูเป็นเป็นจระเข้เป็นทองเงินตัวทองเยอะแล้วนะ มันไม่มันไม่ใช่ประเภทชีวิตเดียวกันแล้วก็สอบสวนยินเดี๋ยวนี้พะวอคนมนุษย์เยอะเหลือเกินนะแต่ผู้ที่ตอบนี่ไม่ใช่ยินที่ตอบนี้มนุษย์เหมือนมาออกตัวแทนยินรับบัญญัติธรรมเจะาอาดุนนที่จริงนี่นะมันเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งเดียวกันระหว่างเรากับยินเราถามยินยินไม่ตอบนะ ใครจะตอบมนุษย un ์อินทร์ว่าแล้วอวุลีอาอุลุมมิลอินทร์อวุลีอาฟูอัมิสมมิดของยินเนี่ยที่เป็นมนุษย์ตอบบอกกับเราว่าเราเป็นสตัมจักระบักด้ ا ยไงว่าทเราอื้อประโยชน์กันหรือกันอธิบายไปแล้วนะเขาเอื้อประโยชน์ประโยชน์กันยังไงแต่โครงสร้างชีวิต ในโลกนี้ที่มีมนุษย์กรยินเนี่ยและการมีมีการโต้อตอบระหว่างสองชีวิตเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ศาต้องเข้าใจต้องเข้าใจเพราะมันไม่ชีริงมันไม่ชีเรื่องไรประโยชน์ที่อัลลอจะเล่า ต้นตอของการอยู่ของเราในโลกนี้ที่เราอยู่ในโลกนี้นเพราะอะไรเพราะอะไรเขาไม่หยิ่งมุ่งกันนี่แหละไอ้อเบลีสนี่แหละเอเบลีสนี่มันอิจฉามันไม่พอใจที่เราจะเป็นคนประเสริฐหรอลเพาะเขอฉันประเสริฐกว่าก็เลยวางอุบายที่จะให้เรานี่ออกจากสวรรค์จออจสวรรค์นี่มาอยู่ในโลกนี้ อยู่ในโลกนี้เนี่ยอิบลิสก็มีแผนที่จะให้ให้เราเนี่ยได้ตกต่ากับมันนี่ที่ไปที่มาลืมไม่ได้นะสตอรี่เนี่ยเรื่องเนี่ยลืมไม่ได้พอลืมได้พอลืมเนี่ยลืมสตอรี่เนี่ยลืมลืมเรื่องนี้นะโครงสร้างมันพังไม่หมดเลยแทนที่จะเข้าใจว่าเรานี่มาจากอาดัมและ้ะวก็เราอังเรากกออิบลิสเนี่ยมันมีปัญหากันอยู่ การไปสวร์ไปนรกนี่ก็ขึ้นอยู่กับการต่อสู้นี่ศัตรูชะกาของเรานี่คือเชือตนยินนี่ถ้าลืมตัวนี้น่ะสรุปสุดท้ายนี่เราก็ต้องมหาต้นตระกูลเรานี่มาจากลิงมาจากเซลมาจากอะไรก็ไม่รู้การต่อสู้ระหว่างยิงกับมนุษย์ซึ่งชั่วร้ายอะไรมันไปไปหมดเลยไฟที่ได กับทฤษฎีว่ามนุษย์ไม่มีวิทนาการอะนะและมาจากเซลล์มาจากลิงนะอะนะเขาก็เลยอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์นะ่ะอธิบายว่ามันเป็นพฤติกรรมที่พัฒนาการพัฒนาการไปเองเขาบอกว่าแม้กระทั่งมนุษย์แ ต, ษยนะแต่นุษย์ทุกทุกคนนีนะมีหางแต่เนื่องจากว่าไม่ได้ใช่ หางมันก็ลยยุบเขาบอกว่าเราเนี่ยตะเดิมเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินแต่พืชเหมือนลิงอ่ะกินพืชอย่างเดียวแล้วพ ว, ว้ป่ในสัตว์เนี่ยมันมีอวัยวะชนิดหนึ่งในลำไส้ท้ายลำไส้ท้ายลำไส้ มันช่วยย่อยพืชที่มันย่อยยากาครับใ่สัตว์เดรนชันเนี่ยกินยญ้าได้ง่ายมนุษย์ไม่กินยญ้าไม่ได้กินแล้วท้องเสียดิครับพ เ, รเพราะลำไส้เรากรเพาะเรานี่ไม่มีส ก, กยภาพที่จะย่อยอาหารเขาบอกว่าแต่เดิมนนเนี่เรามีเราเนี่ยเคยเคยบลลิงไงแล้วก็ใน ในกระเพาะในลําไส้ของเราเนี่ยมันมีเอาไว้ว่าที่ย่อยสัตว์แต่มันยุบไปเหลือแต่ไส้ติง่งนี่ทางพทยนี่ก็อธิบายงี้เขาเชื่อเลยนะเขาจะบอว่าไส้ติ่งเนี่ยเดิมเนี่ยมันคือส่วนของสัตว์ที่มันย่อยพืชอะไรี่เรากินพืชไม่ได้คือนึกจะนึก จ, จะไปเด็ดต้นไม้เหมือนลิงนะนะเอาใบไม้ ล, ยยลิงเนี่ยมันกินกล้วยยังไงลิงนี่มันปอกกล้วยไหมไม่ปอกมันกินนักเปืกวันี้กินเปลืกได้ไห ม, ไมทุกอย่างมันก็จะถูกอธิบายตามทฤษฎีนั้นแหะทุกอย่างนะรวมถึงอาชญยกรรมแม้กระทั่งการฆ่าตัวตายแม้กระทั่งร่วมไอระเมิดประเวณีเรื่องดินา่า แม้กระทั่งเรื่องข่มขืนทุกอย่างขโมยขโมยมันพฤติกรรมเดิมของลิงไงเออมันจะนดังเดิมมันมีโอ้มันมันไปกันใหญ่เลยคราวนี้สู้คดีกันขาตะกรนอาเชอรกรนเวลาสู้คดีขึ้นศาลนี่นะี่เอาเอาจิตเวทเอาจิตเวทมาสู้คดีนะจากคนที่เป็นอาเชอรกรน ข่มขืนฆ่าคนอื่นเป็นสิบคนนะนะติดคุกหนึ่งกปีทําไมอ่ะ <laughs> เป็นโรคจิตเป็นโรคจิตเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าทําไมอ่ะมันเปนเรื่องธรรมดาในมนุษย์เนี่ยถึงแบบว่ามีอารมณ์มีอะไรเนเดรัชานนี่มันธรรมดามนุษย์เราเนี่ก็เดิมนี่เป็นเป็นเดรัชานี่มีความโมโหเหมืนแม่งในเวลามันโมโหเนี่ยมั น, มนยังไงมันไม่ไม่รู้เลยใครเป็นใครเรื่องบาปนี่มั น, มน เห็นละแล้วก็ศาสตร์ต่างๆวิทยาศาสตร์ที่ร่วมสมัยเนะี่ยมันจะไม่พูดเรื่องบาปเรื่องอะไรไม่พูดนะจิตเวชเนี่ยเขาจะไม่พูดนะเรื่องบาปแพทย์เนี่ยเขาไม่พูดนะเรื่องจิตใจเรานี่มีชตตอนกระสิบกระซาบเนี่อะไรอันนี้ไม่คุยฉะนั้นเวลาใครที่โดนยิน เทะี้ยพอไปอะนะ จ, จิตแพทย์นเนี่ยบางค น, ใในเนี่ยในใจนี่รู้่าเนี่ยเบนโลกมืดแต่เนื่องจากว่าศาสตร์ของตัวเองอะนะไม่สามารถอธิบายได้เขาก็จะอธิบายตามตามศาสตร์ของเขาอะนะแต่ในใจในี่รู้หนออันนี้เนี่ยนนไม่ใช่หรอกสรุปแล้วโครงสร้างชีวิตในโลกนี้ ที่เราอยู่ร่วมกับชีวิตอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกยินพวกเชบรนั่นแหะซึ่งมันมีผลในการวางแผนชีวิตในการสร้างความระมัดระวังในการแสวงหาความปลอดภัยอันที่มันจะเหมาะกับสิ่งท้าทายที่เราจะต้องที่เราจะต้องคานึงถึงอาระวังเนะตรนนมันจะกระิบแบบนี้มันจะยุ่ยทำแบบนี้นะ แต่ถ้าหากว่าไม่เชื่อเลยเรื่องนี้นะจบเลยดิแผนต่างๆความระมัดระวังต่างๆไม่มีไม่เหลือเลยรวมถึงคําสั่งสอนที่มาจากศาสนานี่มันก็จะไม่มีความหมายกับพวกนี้ไม่เชื่อนบีอาดัมไม่เชื่อมียินไม่เชื่อ ม, มีเชตตอนไม่เชื่อว่ามีวราโลกไม่เชื่อว่าเราจะถูกฟื้นคืนชีพทั้งหินและมนุษย์ ไม่เชื่อว่ายินและมั่วจะถูกสอบสวนไม่เชื่อทั้งหมดนี่ไม่เชื่อคำสังสอนอื่นก็จบนุ่นทำได้นุ่นทำไม่ได้นี่ก็หมดความเชื่อความเชื่อถือหมดหมดไปอีก <c oughs> อย่างนึงในการที่จะให้โครงสร้าง ชีวิตในโลกนี้ที่มีทั้งมนุษย์และยินและมีคำสั่งสอนที่ใช้ทั้งมนุษย์และยินให้ทำความดีหลีกเลี่ยงความชั่วการแข่งขันในการทำความดีและหลีกเลี่ยงความชั่วอันเรื่องจากคำสั่งสอนเนี่ยเช่นอัลลอฮฺบกว่า ama, um อย่าไปอเดมะลาอัฟตินนักุมุชชัยตอนโอ้ลูกหลานอเดมัหลาย ซาตานอยาได้สร้างฟินกบวกเจ้าตอนยาได้ยุยบกเจ้ากต ม, ม, มืนนนะนตอนออกจากประมิลนนเน่ยิาตานห้อดัมเนียนะบีดาปูทวสูงของเราเนี่ยให้ออกจากสวรรค์สแสดงว่าอัลล์ให้การออกจากสวรรค์ของนบีเนี่ยเป็นอุทาหรณ์การที่ตอนให้นบีอัดัมกินจากต้นไม้ และฝืนคาสั่งของ Allah แล้วก็ดุร้ายแต่สวรรค์อย่ให้เป็นอุทาหรณ์นะวะอย่าทำให้อย่าทำเหมือนอันนี้นะอย่าให้เชื่อฟังเชตตอนนะถ้าเราไ <mass> <traded dai> <ności> ม่เช <uana> ื่อว่ามีเชตตอนไม่เชื่อมีอาดัมมชมันจะเป็นอุทหรหมันไม่เป็นอุรมันก็มีเรื่องเลอย่างเช่นลูกกระเดือนี่นี่เขาบอกว่าเนี่ยทาไมผู้ชายมีผู้หญิงไม่มี เขาบอกว่าก <advisory> <sk alım> ็น e ad ี่ไงอปนที่ d a d a m กินเนี่ยมันติดอยู่ตรงนี si ้ยติอยู่ตรงนี้บ่กนอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าให้มันสนุกใช่อุตหหนมันไม่อยู่ตรงนี้นะั่งก็แล้วก็อะไรนะเออทนยิฮวพระยถูกสร้างจากซโครง ขเขาบอกก็ไปเลยไปดูนับเลยของผู้ชายเนี่ยขาดอยู่ซีกหนึ่งขาดอยู่ทนหนึ่งทำไมอยา่างกรณีอะไร ท, ที่เอาไปสร้างมีคือถ้าไปเรียนแพทย์เรียนอนุสรณมีนะก็เหมือนกันแหละโครงสร้างโครงขอ ง, ง, ขอ ง, ของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ก็เหมือนกันที่เป็นเรื่องเดิมๆเอาเรื่องที่มันไม่ได้เป็นอุทาหรณ์มาเล่าบอกก็แล้วมันก็หายไปเลยนไไอ้อะไรที่เป็นอุทาหรณ์ที่สืบเนื่องจากความเชื่อจริงๆในเรื่องราวแบบเนี้ย วอโลกนี้เนี่ยมีมนุษย์มียิงต้นตองมนุษย์นี่ใครต้นตองินี่คือใครแล้วเราอยู่กันอย่างนี้เนี่ยกลังต่อสู้กันกาลังทาอะไรกันอยู่ในโลกเนี้ยและในวันกยมานี่เราถูกสอบสวนทั้งคู่เลยนะแล้วเราจะามรบาบทั้งสุรานราน Allah ูดซัมูลพะบิาออ้ลียรับบุมะุกษิมาพวกเจ้าจะปฏิเสธได้ไงองค์การของเาโอ้ มนุษย์เลี้ยงทั้งสองรับบิมาลพูดกับมนุษย์เลี้ยงยาละกรชั้นจินวะอินซพูดกับยินอุลามะจิบอกว่ายินนี่เปนบีนบีนี่มาจากมนุษย์และมนุษย์นบีนบีของมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นนบีขายินด้วยอีทันะอุลามะุนมาก 99% ما ف ا ن ق ر ل ن ج د ن ا ل ن ب ي هو إن س م ع ن ا كده أننزل من بعد موسى رؤيهم كمبي ق و ل ع ن ج محمد ي ن ي ي ن ما ما لانج كمبي من موسى أ แสดง وا كه ك ر ا ه موسى. ت موسى ما تبي النبي من ييني نا يين نجيك و ي ح تا محمد م ي النبي صمرب يين يين نجاي الله جاي يينه. وين صربنا ل ي ك ن ر من يين يستمعون القرآن. هاي الله ي ي ن م ا فانقرآن ถ้ามุฮัมมัดไม่ได้เป็นนบีสัมฤทธิ์ินแสดงว่าข้อเตือนของมนุษย์และยินนี่นะก็คือข้อเตือนเดียวคำพีก็คือคำพีเดียวกันนี่แหละยินจะละหมาดด้ก็ละหมาดนั่นเานี่แหละจะเตียมุลเลก็อ่านคุนีแหละจะทบุญในรั้วมอานี่ก็อ่านคุตัลเล่มเดียวกับของเรา การแข่งขันนะมันจะไม่เกิดขึ้นแข่งขันในการทำความดีแนกและเว้นความชั่วถ้าหากไม่เชื่อในโครงสร้างแบบนี้แต่ก็อีกอ ก, กลุ่มนึ่นะที่จะมองถึงเรื่องโครงสร้าง ชีวิตในโลกนี้ระหว่างยินและมนุษย์เนี่ยว่าทุกเรื่องในชีวิตนี่ก็ขึ้นกับขึ้นกับยินทุกเรื่องเลยเออาอะไรเออาอะไรก็ยินเอาอาะก็บีเอาอาะก็ชตอมมันเป็นเหมือนกับยินและชตา น, นีมาครองชีวิตของมนุษย์อันนี้ก็สุดโตงอันนี้ก็ไม่ใช่ ที่จริงอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ได้วางไวซึ่งความสมดุลในเรื่องนี้และเกณฑ์ในเรื่องนี้ชีวิตของมนุษย์ก็ของมนุษย์ชีวิตของยินก็คือของยินห้ามล่วงเกินกันห้ามห้ามมายุ่งกันและถ้าเกิดมายุ่งกันแล้วก็จะมีมาตรการปราบปรามและใช้ให้ทั้งยินแล้วก็มนุษย์เนี่ย ได้แสวงหาทุกสำเร็จอย่างเอกเทศหมายถึงว่าโดยที่มนุษย์ไม่ต้องพึ่งยินและยินไม่ต้องพึ่งมนุษย์สูรบทมสงครามเราไม่ได้บอกกันดบีบโดยที่ส่งดูรอนะ ดูมาอะไร้ือเปล่าและนบีก็ไม่ได้ขอแล้วก็นบีไม่ได้ไม่ได้ขอเหมือนนบีสุลมานขอให้ฉันมีผู้รับใช้เป็นยิน قال รับบิฮับลิมุลกะเล่บะกิละฮัดีมบัดีทานบีสุลมานได้ขอบารมีจากอัลลอ์เนี่ยที่ไม่บังควรคนอื่นหลังจากนบีสุลมานเนี่ยจะได้มีเพราะสัครนาเลว ว่ามีอันศีลี่นี่คืเลบานไนและกวาสอลลอฮฺกรบันขบบันชัยบันไดยิลชิตอนนี่ถึงหมดเนี่ยมารับชันบีสุลมานแต่นายมุฮัมมัดนี่ไม่แลของนบีสุลัมานั้นก็ชื่านบีสุลมานนะนอืไม่มุฮัมมัดไม่รบนี่ก็ซูรุบวก็เ้ลูกนบูสทาที่มาฟังกอานกมาช่วยฉันมาเป็นนักสู้นักรบเป็นฉัน อมม่มม่ดีบอกว่าเออเราจะต่อสู้กับความชั่วก็มีนี่ยินผู้ศรัทธานี่มีเยอะแยะนี่กันเชิญยินผู้ศรัทธานี่มาช่วยให้ยินผู้ศรัทธามาช่วยสร้างสุดเอากันมาช่วยจัดงานมาซิดกันคนนั้นอายะ เ, เ, เ, เขาอายะเขาโตกี่เขาเลี้ยงยินให้ช่วยมายุของนะมาแลกยุของกันแทบตายเลยอะ ช่วยยุกของหน่อยเ้าบางสีและไอ้พวกที่มันลิน้ยงยินหรือมันเล่นงเยสานนี่มันก็ไม่เคยไม่เคยที่แสดงความสามารถตรงนี้ลองนี่ไปหาหมอดูพวกนี้เนะี่ยบอกว่าไปบอกที่หมอพอดีผู้รับเหมาเบี้ยวขอให้ ยินที่ท่านมีเนี่ยช่วมาฉาบหน่อยไหมนี่หน่อยดูผมให้เต็มที่เลยไม่เคยได้ยินเลยนะว่าใครทําแบบนี้แล้วไม่เคยได้เลยหมอดูคนไหนนี่ทำได้ไม่แสดงว่าอะไรม่อันนี้ไม่ใช่โครงสร้างชีวิตเนี่ยใช่ยินนะมียินเนขาสร้างกันมียินที่เป็นเป็นก่อสร้างก็มีนะแต่ลบห้ามไม่ไม่ยุ่งกันน่ะแยกกัน แล้นนมนุษย์จ ะ, สะแสวงหาความดีจะหลีกเลี่ยงความชั่วอย่างเอกเทศยินก็เหมือนกันเราสหวานวาัตตาหลังจากที่ได้เล่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันเกียร์มะว่ายินมีพักพวกจากมนุษย์มนุษย์ก็บอกว่าอ๋ อ, อก็พวกเราเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันของการทีาที่เอื้อประโยชน์นี่เกดเรื่องอะไรเรื่องหมอดูเรื่องเ ส, สรษศาสตรเรื่องการของเนี่ยเรื่องเลี้ยงยินอะไรพวกนี้นะ แล้วเรื่องนี้แล้วแล้กมะวังคดเค็นวิลคุลน์ ر ج ัตุมิมมา عمل ุว่ารับบุคบีกรฟิลนั่มาเยาลนวลคุลน์ลัมรับทลัคนนั้นนี่คือภาษาไทยข้อจากัดของภาษาวิลลน์สามรับยินและมนุษย์ทีนี้เขาจะพูดแบบสำนวนนี่มันสวยกว่านะเขาก็บอกว่าแล และสำหรับแต่ละคนนั้นคือแต่ละคนไม่หยิมและมนุษย์แต่หยิม น, นี่เราเรียกคนไหมไม่ได้ยินี่จะเรียกแต่ละตัวบางคนบกงคนแต่ละตนตนไม่ต้องเรียกนะตนนยักษ์ใช่ไหมตนนิยักษ์นิยักษ์นี่เป็นอะไร อย่างนี้เป็นเรื่องอุปโลกน์อย่างนี้ไม่ช่อะไรเลยาเป็นเรื่องอุปโลกน์ขึ้นมาอยกางเปรตแต่บางคนไ้เปรื่องอุปโลกน์มนุษย์อุปโลกน์ขึ้นมาไม่มีตัวตนวอลิคุลินและสำหรับแต่ละคนคือสำหรับแต่ละฝ่ายฝ่ายหินและกระฝ่ายมนุษย์มีนะมีหลายระดับชั้นหลายระดับชั้น ชั้นขั้นชั้นบันไดสำหรับหินก็มีหลายชั้นสำหรับมนุษย์ก็มีหลายชั้นมินมาว่ามีรูนเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบไว้พวกเขาคือทั้งหินและมนุษย์ ไ ม, ม่มีนะฉันอยากจะทำบุญมากกว่าคนอื่นโดูฉันจะไปเรียกอะไรนะไอ้เด็กที่เป็นนักเสแสรดังที่เขาทำหนังดังไงเชื่อบุตอะไรบุตบุตเตอร์ ร, อ ร, อรี่รบุตร ไปเรียการีบัตเตอร์เขาจะได้เรียกอัญเชิญพวกนักเสศาททั่วโลกแล้วก็ให้มันมาช่วยฉันสร้างสุเราใหญ่โตนี้ฉันจะได้ผลละบุญสร้างสุเราสรักหลังหนึ่งอาทิตย์หนึ่งให้เสร็จได้บุญไหมมันได้บุญถ้าสร้างได้อันได้ได้บุญแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นวิธีการมิตมากมิรู้จากสิ่งที่เขาได้ประกอบไว้สิ่งที่ใครคือทีมนุษย์ประกอบไว้เขาก็ได้ ส่วนียินปะกาไปเขาก็ได้และอันนี้เป็นหลักฐานเหมือนกันวะทำความดีแทนคนอื่นไม่ได้แม้จะต้องยินกับมนุษย์นะนะยินจะทำความดีแทนมนุษย์มนุษย์จะทคนยินไม่ได้คุลินสำหรับแต่ละคนนะคือแต่ละฝ่ายนี่นะก็ตัวใครตัวมันยินจะบอกจะมาช่วยินยินจะบอว่าเขามา่วมนุษย์มนุษย์บอกเขาจะมาช่วยยินนันไม่ได้ นีม่มาว่ามีหนจากส่วนที่เขาได้ประกอบไว้เช่นเดียวกันมนุษย์เดียวกันใครจะมาทำความดีแทนคนอื่นไม่ได้ซึ่งหลายระดับชั้นนี่นะทั้งชั้นดีและก็ชั้นไม่ดีแต่ันมนุษย์มีชั้นดีหลายชั้นดีดีดีกว่ายอดเยี่ยมแล้วก็มีดี พอได้เร็วเร็วสุดเร็วซ้ำตรงเงินตัวทองเลยเฮียที่สุดยินก็เหมือนกันดีแล้วก็มีเร็วต้องเช็คี่ระดับชั้นและขึ้นอยู่ที่การงานเหมือนกันและการงานมาตรฐานเดียวกันเลยมาตรฐานเดียวกันในการศึกษาในการค้นหา ความดีสัจธรรมในการแฟร์แฟร์กับการศึกษารู้จริงรู้ถูกและทำและปรับปรุงตามที่รู้กับรู้จริงแต่ทําไม่รู้ไม่ชี้รู้จริงทํารู้บ้างไม่รู้บ้างรู้จริงทํารู้และฝืนและท้าทาย ทั้งหมดนี้ก็จะถูกนับอย่างอิบลิสก็รู้อิบลิสี่ไม่น่าเลยมันอยู่อยู่อัลลอฮ์เนี่ยาอ์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยสินแ่าละแล้วก็สุดท้ายนี่มันไหนมาเพราะแอิจฉาริษยานี่ของอิบลิสอิจฉาว่าอาดัมนี่จะบีวกากูดได้ง่ายฉันไม่ยอม ไม่ยอมถึงด้นนี้ไม่ไม่แต่ไม่ทำตามสั่งอัลลอฮ์แล้วไม่เอาขนาดนั้นเลยนหะรนรกนะ้ายอมเขา้นานรกถ้าจะจะจ ะ, จะอัมจะดีกว่าฉันนี่ไม่ได้อถือว่าอัลลอ า, าบอกว่ามันไม่มีความรู้มากกว่าความเห็นจะจับความรู้ชัดกว่าการเห็นนะไม่มี อธิบายว่าอัลลอฮ์คืออะไรอธิบายไม่เห็น Allah, อัลลอฮ์อธิบายกับคนที่เห็นอัลลอฮ์แลก็ไอ้มูลยักินไอ้หมูที่มันสร้างยักินความรู้ที่มันสร้างความเชื่อมันกับอ้นุลยักยินกับการเห็นนี่มันสร้างความเชื่อมันนะนั่งอยู่ในห้องมืดในห้องกําปกําแพงไม่มีอะไรถ้ามีคนบอกว่านี่ ดวงอาทิตย์ข้างนอกนี่โอ้นี่มันขึ้นแล้วมันสว่างสวัยจ้าหมดทุกที่เลยไอ้ น, นี่กน็นังจินตนาการมันยังไงดวงอาทิตย์มันยังไงมันสว่างยังไงว้าก็มีคนนึงออกไปค้านอกแล้วก็เห็นดวงอาทิตย์อย่างนี้คนนี้ได้ไ ด, ได้เชื่อมั่นกับความรู้ที่เขาถูกแจ้งมาแต่อีกคนหนึงออกไปเห็นจะจระต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะต่างกันนี่อีมิสสนี่ความรู้แบบไหนอะ แบบเห็นแต่ก็ยังปฏิเสธเพราะรูปทางหัวใจเนี่ยมันช่งางไรแรงถึงขั้นที่ทำให้คนเสมือนตาบอดที่เราเรียกันใจบอด a l l a บอกในกุรอาน فإنها لا تعم ل أ ب ص ا ر มันไม่ได้บอดทีตา ولكن دعم ل ق ل و ب التي في ال الصدور แต่มันบอดที่หัวใจ อิบลิสก็แบ้บอกที่หัวใจและที่สะสมมาเขาบอกว่าอิบลิสเนี่ยได้ฉายว่าเป็นสมบูรเป็นมลทัยกาและพออัลลอฮฺสั่งมลทัยกาให้สุู่ดนะให้เกี่ยนอิบลิสถ้าอิบลิสไม่ใช่มลทัยกาอิบลิสเป็นยินนะแต่ให้เกี่ยนอิบลิสเนี่ยยกสถานะสมบูรเป็นมลกาแล้วก็สั่งให้อิบลส สุ jud กับบนน่ะลายกาสุยน่ีอาดัมกับมายลกาไอ้เบลีสก็ไม่ยอมที่ไอ้บลีสเนี่ยได้ใจเอาว่าเป็นมลายกาที่อิบาตเ้ขยันอิบัตเอัลลอฮ์อย่างมากมายมันก็เป็นสิ่งที่ก็ประกอบไว้เป็นความดีคุณงามความนี้ก็ประกอบไว้ที่เขาสะสมไว้แต่มันช่วยไม่ได้ขณะถึงเวลาที่จะต้อง พักดีต่ออัลลอ์อันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากอามาลอิบาดานี่มันไม่เหมือนบัญชีสตังในธนาคารบัญชีนะนะมันฟองในบัญชีมีอยู่เท่าไหร่ล้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีตังที่บ้านแล้วก็ไปไปเบิกได้เลยใช่ปะไปเบิกได้เลยการงานไม่ใช่ ถึอิบลีสเวลาจะสืบจุดในนะบีอัลกมอนเดีดที่ก็เคยมีนะมีเยอะถ้าต่ช่วงนั้นนะ่ะการงานที่ผ่านไปแลว้วอ่ะมันช่วยได้ไหมโ อ, อ้โหช่วยไม่ได้ที่นักน่กนกกากลัวฉะนั้นพวกเราอย่าพิสวงอย่าหลงอย่าเผลอตามปร ะ, ประวัติของอดีตอดีตของเราหรืออดีตของคนอื่นปุยัด โอนี่ปุยาแต่คนนี้เป็นโตคูตั้งนั้นน่ะโอนี่เป็นลูกหลานนบีเนี่ยสายนาบีโอนี่ตลอดอดีตนี่คนละมานมาเยอะแล้วจะหลงได้ไงอ่ะโอนี่ความรู้โตคูอุลามาอิมาม ค, ความเรื่อย่างนี้เนี่ยเขาหลงได้เหรอเป็นไปได้เหรอที่เขาจะหลงอ่ะคือเอาเรื่องอดีตนี่มาการันตีปัจจุบันและอนาะคตไม่เกี่ยว ความถูกต้องนี่นะมันก็ต้องมีมาตรฐานเฉพาะเฉพาะการความดีมันจะไม่การันตีสถานภาพของเราเสมอไปละหมาดมาแล้วย0สบปีมาวันเดียวนะ้ะไม่ละหมาดไอ้ยี่ปีที่ละหมาดแล้วเนี่ยมันจะไม่ชใช้หนึวันที่ไม่ได้ละหมาดนี่ น, น, นีสัจธรรมเลยนะ วฉันละหมาดไปเลยยะไปเลยละหมาดไปแล้วี่สิ ป, ปีวันนี้ขอไม่ละหมาดสักวันหนึ่งบางคนบางคนอาจจะคิดแบบนี้โอ้สปีละหมาดเต็มที่แล้วถือเส้นอดเดินบวชนี่มาเยอะแล้วนี่เดือนปีหนึ่งขอรมดนสักปีหนึ่งขอพักพักได้ไหม มันไม่เหมือนบัญชีธนาคารนะนะเออช่วงนี้เจ๊งก็ไปดูที่บัญชีไหนที่ยังมีตังเนงะินก็เอามาใช้เอามาชดใช้เอามาบำรุงใขยายไม่ได้แสดงว่ามิารมามีลุผลประกอบที่เขาทำนี่นะนอกจากว่าตัวใครตัวมันมันษช่วยยินไม่ได้ยินช่วยมันไม่ได้แนอะกจากนั้นนะ <c oughs> งานใครงานมัน แล้วเวลาไหนเวลามันด้วยแฟร์มันนี่อันนี้แฟ ร, ฟ ร, ฟร์ที่สุดแฟร์ที่สุดทำไมอะเช็คช่นที่งานอดีตที่มันดีงามมันไม่ช่วยความบกพร่องของปัจจุบันและอนาคตมันช่วยไม่ได้ใช่ไหมแต่พระสุภาณวดาล่ะเที่ว่า และถ้าปัจจุบันแหละเอาตรงกันข้ามนะนี่20ปีละหมาดแล้วมาวันเดียวเนี่ยไม่ละหมาดนะเอละหมาด20ปีมันช่วยวันเดียวที่ไม่ละหมาดไม่ได้แต่20ปีไม่ละหมาดแล้วมาวันเดียวเนี่ยก่อนตายเนี่ยละหมาดเอละหมาดวันเดียวนี่แหละมันช่วยทั้ง20ปีแฟมนะแฟรที่สุดใครที่ไม่แฟร์นี่มัตบปากเลยอะใครที่ไม่ แบบนี้ไม่แฟรนะกสงวาผมแสด่ามันชจเพราะตอนอธิบายเราหุมา20ปีพงวันเดียวนี่จริงบอย่างนี้เลยอ่ะไม่แฟร์เอาแล้วไม่แฟร์ละว่าเธไม่ละมา20วันนะแล้วมาวันสุดท้ายในชีวิตละมาวันเดียวนี่อัลลจะยกโทษทั้ง20ปีแล้วนะก็เอาวันเดียวนี่เป็นตัวตั้งและนี่ไม่แฟร์ล่ก็คือ เวลาไหนเวลามันเวลาไหนี่คือเวลาของมันยีปีละหมาดวันเดียวไม่ละหมาดแลวตายในวันที่ไม่ละหมาดนั่นน่ะยุง่ง20ปีไม่ละหมาดละมาละหมาดวันเดียวแลตายันนั้นน่ะสบายแต่20ปีละหมาด วันหนึ่งไม่ละหมาดแล้วหลังจากนั้นมันก็ละหมาดมละหมาดต่อความแฟ่หัวเราะนะแล้วก็บอกว่าดูที่ี่สิบปีเนี่ยมีอะไรมามอุดตรงนี้ไดมอุดให้ให้ผ่านนี่ฟ่ที่สุดละแฟที่สุดล้ไม่มีล้วมาฟอรดูยี่สปีแล้วจอนี้ฟรดูขึ้นมาล้วมาฟรดูอัลลอฮ์บอกว่าเอาสุดนขมีสุนอัลล์ยอมให้ ยกสถานาการณ์มาสุนนะในวันเกี่ยมานะให้มีผลบัพเหมือนเป็นฟอร์โดโี่มา อ, ด อ, ดดอุดรูเวอรดูไม่แฟร์เแฟดีแต่จําเป็นที่สุดเนี่ยถ้าเราเข้าใจโครงสร้างหรือคุณลินตอราเจตุมิมาขั้นการทํางานข่านความประเสริฐหรือความไม่ประเสริฐของหินละมนุษยเนี่ยมิ่มาว่ามีาการจัดการสะสมจากการประกอบคุณงานความดี วิ่งมาทำลูกท <c oughs> ีนี้เราดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นบ้านเราปัญหาพ้นข้างใหญ่และพวกเราต้องช่วยกันพูดต้องช่วยกันเผยแพร่เรื่องนี้บ้านเราเนี่ยมายุคหนึ่ง ผมไม่รู้นะมันมันเป็นปัจจัยด้านวัฒนธรรมมันเป็นเงื่อนไขของสิ่งแวดลอ้อมอะไรหรือเปล่าประเทศไทยเนี่ยสยามแผ่นดินเนี่ยใหมากใหญ่จริงจริงนะทุกพื้นทุกตารางนิ้วเนี่ยมันอาศัยอยู่ได้อะเนี่ยบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะทุกตารางนิ้วเนี่ยอยู่ได้ มันม่เหมือนเทลิซายเทลซายที่ไม่มีน้ํำอยู่ไม่ได้ไม่มีต้นไม้รูอยู่ไม่ได้ชาวบ้านนี่ก็ต้องตามมีฝนมีนี่นก็ตามฝนมีแม่ น, น้ำตา น, าน้ํามีบอ่อน้ำที่ไ น, นก็ตามใช่ปะ่ะถ้าไม่มีล่ะไม่มีใครอยู่ไม่มีแผ่นดินมันกว้างชาวบ้านนี่ก็เลยกระจายกันไปอยู่ทุกพื้นแผ่นดินนั่นนะแล้วก็ไป สร้างบ้านกันสร้างโรงเรียนเงินสร้างเมืองเงินสร้างหมู่บ้านชุมชนปลูกข้าวปลูกนาปลูกสวนฮนะแล้วก็ไปอยู่กันแบบครอบครัวสองครอบครัวสามครอบครัวอย่างนี้ยบรรดาบอๆก็ไปสร้างปอนะในป่านู่นนะแทนที่จะไปสร้างในเมือมงเงนเขาไสร้างในป่าเพราะอะไรเหมือนพระหรือเปล่าคนไม่รู้มันคือมันเงื่อนไขไงเราต้องเข้าใจไงมันเป็นเงื่อนไขอะไรบางอย่าง เป็นเรื่องแปลกเลยผมไปดูปาร์นอะบางที่นะที่ริป่าทำไมพิเศษในป่าทำไมอ่ะมันก็อาจจะเรียนแบบบ้างอ่ะนะเพราะการเรียกอาจารย์ว่าเป็นบาอบอเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วัฒธนธรรมอิสลาม ไ, ไม่ไยอมอิสลามวัตถรมีมอิสลามคริสต์เรียกฟาเธออาจารย์ถ่าหลวงว่าเขาเรียกฟาเธอพ่อบ้านเราเนี่ยพุทธน่หลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพี่หลวงปู่หลวงตา อันนี้ก็เป็นบาบอบาบ อ, บ อ, บอก็คือพ่อนี่แหละบาบ อ, บอไปสร้างปอนะข้างปอนกก็จะปลูกยางปลูกข้าวปลูกสวนเป็นอนาณาจักรเลยนะแล้วเขก็มีสมาชิกครอบครัวไม่กี่คนใครจะไปเฝ้าสวนใครจะไปเฝ้าทุ่งนาใครจะไปเฝ้า โกดังที่เก็บข้าวเขาต้องเลี้ยงหินใครที่เลี้ยงไม่เป็นนี่ก็ต้องไปหาบ่อหรือไปหาพวกหมอดูหมอบ้านนี่นะขอขอขอสักตัวหนึ่งมันไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะคุณมานทองนีว่าเด็กอิสลามมีนี่นะคุณมานทรวีมาจากไหนอะ่ะ โอ้ยมามนี้บบวานี่เลี้ยงกุมารทองมาจากไหนอ่ะเนี่ยกุมารทองเราไม่ชของเราเลยนะแค่ น, นี่แหละมันเป็นเงื่อนไขของวัฒ น, นธรรมที่ทําให้คนเข้าใจว่าการเลี้ยงหยินเนี่ย เ, เรื่องดียิ่งกว่านั้นนะ่ะคนที่เลี้ยงหยินนี่นะเป็นคนที่มีบา ร, รมีเป็นคนที่ถึงอนะ่ะเป็นคนที่มี ผมไปบรรยายที่วัตเนีเรื่องโรคมืดนนะแล้วก็มีพี่น้องที่มาปรึกษาเรื่องเรื่องโรคมืดเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเป็นทายาตบ บ, อบอของพ่อ น, นอ้องและเป็นปนัญหาที่มาจากเรื่องเลี้ยงยินไปเลยเกือบ 90% แล้วก oh, wow ็มีผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาก็เคยเป็นหมายึงว่าตระกูลเขาเนี่ยเป็นบบอที่เขามีปอนะอย่างเงี้ยเขาส่งผมที่สนามบินแล้วก็เล่าโอ้โหเขาว่าช่แทบทุกปอนะแทบทุกปอนะต้องมีแล้วเขามีจําได้ว่ามีมีบบอไม่ใช่ของเขาคือบอที่หนึ่งอ่ะของปอนะที่หนึ่งนะเป็นหมอฟัน รักษาฟันอย่างเดียวมัอยังไงเขาบอกใครปวดฟันนี่นะเขาจะมีภาพที่วาดฟันไว้แล้วก็จะมีเข็มแล้วก็เจาะที่ฟันไอคนที่เจ็บฟันในก็นั่งอยู่เฉยๆนะนั่งอยู่เนี่ยเขาก็เจาะที่ที่รูป อ, ะอ่ะเป็นยังไงหายยังหายยังเจาะเจาะที่รูปอ่ะนะแล้วก็ถามไอคนที่ปวดเนี่ยมันนั่งอยู่ข้างๆหายยังหายเจ็บเบีย หายแล้วครับหายแล้วครับรักษาวันกันแบบนี้ไอ้เรื่องรักษากระดูกผักนี่อันนี้คงได้ยินกันเยอะนะจับ้กระเป๋าแล้วก็หายอันนี้ยินยินรักษาเนี้ยอันนี้อันนี้ผมไม่สงสยัยเลยเรื่องเนี้ยยินมันก็มีความสามารถเรื่องนี้เนี่ยมันมีในเสังคมเนื่องจากว่าคนเข้าใจว่าการเลี้ยงหยินเนี้ยมันเป็นบารมี มันมีพิเศษวิเศษแล د د ้วคนที่ทำได้นี่ก็แสดงว่าคนมีมีวรระคนมีแบบว่าโอ้คนที่ถึงกับอัลลอฮ์นี่เป็นตัวอวลีหรือเป็นเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนหลายกรณีที่ได้รักษานี่นะที่มีปัญหาเรื่องโรคมื่นเนี่ยส่วนมากนี่ไม่รู้ว่าบุญย่าตายายเนี่ยเขาเี้ยิน ไม่รู้ไม่มีไม่มีพอไปสืบเรืนี้ปรอก็ว่ามีพ่ก็เนี่ยเห็นว่ามีามและอันเนี้ยมันก็มันก็เป็นเรื่องถ่ายทอดวิชาเขาไม่มีไม่มีใครเอาแล้วไม่มีใครเอาแล้วทุกปีเนี่ยในตระกูลเนี่ยทำบุญกันไหมอาไม่รู้ฉันไม่ได้ฉันไม่ทำนะไปถามนิดพรอก็จะต้องมีนาบ่างอาบาป่าบ้างนิบ่างกะบางแอบทาบุญ แอบทำนุรียังไงอะ่ะแอบทำดดุงดาดาเขาเหนียวเหลืงไก่ย่างไม่ใช่ส่งไปให้นักเรียนเด็กกำพร้ากินนะส่งแอบบอกบอกให้คนใายบอกกองขยะข้างบ้านไปวางเขาเลยว่างเขาไม่รู้ แต่ยตาเอ็สั่งไว้บอกว่าทุกปีเดือนนี้กี่คแรมกี่อะไรนี่นะะไม่วางนะไม่วางเฉยไม่ต้องยุ่งแล้วก็ไปต้องทำนะอายุนี้ก่อนตายมีนสั่งไว้ได้ต้องทำไอ้นี่คืออะไรนี่คือชิตนี่คือถวายินนี่คือทำบุญนี่คือเลี้ยงยินไว้เนี่ยแล้วยินนันก็มันก็มีสัญญาไว้กับตระกูลนี้เนี่ยบอกว่าเองเลี้ยงกูดกูเลี้ยงมึง อันนี้ไม่ใช่ขั้นชั้นบันไดชั้นการงานที่มนุษย์กัยเหินเนี่ยจะสะสมซึ่งสะสมกันเองอย่างเอกเทศแล้วนะไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นการอาศัยแล้วเราเรื่องมันถว่ามันชัดเจนมากสำหรับในชีวิตของผมนี่นะที่ไม่ได้ไม่ได้มันคือเทียบแล้ววะนะมันไม่ไม่เก่งหรอก เขารู้นี่ยว่ามันหลักการมันอย่างนี้นะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมุสลิม่าโทมาเช็กชูด้วยลูกอายุสิเก้าขวบมีบ้าไปแล้วบ้ายัางไงอ่ะเขาเคยมีปัญหาเรื่องอะไรสมองแล้วพราก็เปล่าเป็นคนปกติในวันดีอยู่นี่เนี่ยบ้าไปเลยเป็นคนขาดสติไปเลยผมก็บอกว่าเคสแบบนี้เนี่ยแสดงว่าปู่ยาตายายเนี่ยเลี้ยงยังไม่มีชีวิตเป็นมันไม่ได้ฆ้าสาบานไม่รู้ละ่ะไปถามก่อน แล้วโทรมาบอกว่าก็อีกครึ้งชั่วโงโทรมาว่ามีมีไปถามไปถามพี่สาวเขาก็มีมีของก็บอกว่าลองไปถามดิไอคนนี้บอกว่ามีลองไปถามดิตะกูลนี่ทําบุญกันหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไปถามก่อนอีกครึ่งจะ่วโงโทรมามีทําบุญผมก็เลยถามโดยไม่รู้ว่าจะมันเป็นหลักเกณฑ์เนี่ยบอกว่าลูกเนี่ยบ้าเมื่อกี่วัน เอบอกว่าเมื่อสองอาทิตย์ประมาณสิบสี่วันผมก็ไปถามพี่สาวดี่เลิกทำบุญสิบสี่วันหรือเปล่าเมื่อสิบสี่วันพอไปถามบอกก็ใช่เลยมันถึงเวลาที่ต้องทำบุญนะและไม่ได้ทำพอไม่ได้ทำนี่นะโดนเล่น ง, งานเลยสิบสี่วันเบ็ดเบ็คือเวลาวันที่เ็ามีอาการ แล่วหนดยี่พี่สา็ทําทำอะไรเขาบอกว่ามันมีมันมีบ้านเล็กๆอยู่ข้างบ้านเขาบ้านนี้ม่มีใครอยู่แล้วก็ทุกปีเนี่ยเขาจะเอาของกินเนี่ยไปวางในบ้านเค้าเหนียวเหลืองไก่ย่างไปวางในบ้านวางให้ใครกินให้แมวกินน่ะนี่ก็นี่แหละหนูลีนี่แหละทำบนเลี้ยงดินนี่แหละ พาบา ร, รมีของหินอันนี้แค่ในสังคมมันบอแค่อาศัยความช่วยเหลือจะยินนะหินมาช่วยนะช่วยเฝ้าช่วยปกป้องอะไรเงี้ยนะแล้วบางคนเนี่ยเ ข, เขาเขาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันทําได้อิมามมัสรรยิดบางที่เนี่ยก็ทํากันเฉยเลยให้ยินเฝ้าสุราเพราะสุราเนี่ยมีของแพงมีนาฬิกาคนเขาบริจาคนาฬิกาเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยนะเขาต้องมีเขาบอก คนในชุมชนเนียพายเรือมานี่กูเคเห็นมีคนใส่โตบสีขาวที่นั่งบนโดมบนอะไรไดินกันมาเยอะแล้วบ้านเรานี่แถวบ้านผมนี่ก็มีหลายคนนี่เขาก็รู้กันนะว่าเขาเนี่ เ, นเลี้ยงยินเลี้ยงยินยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้นะถ้าเป็นไปไม่ได้ที่ยินจะมารับใ ช, ช้ฟรีๆเฉยๆถ้ายินน่ะนะถ้ายินนั้นมาใช้เราอ่ะเราเราจะรับใช้มันฟรีๆเลยเหรอ เราก็ต้องเรียกผลประโยชน์บ้างใช่ไหมถ้ายินมาใช้เราอะนะเราก็ต้องเรียกผลประโยชน์บ้างไม่ใช่นี่แค่ธรรมดานะแล้วภาษานะอะไรกคนนี่แบบว่าแตบบ่เมื่ออีบอะใช้ ย, ยินในในอีบอะฮะอีบห อ, อดูอาชีบอาชีบดูเลขหวยให้แล้วทุกอย่างมันมีราคาของมัน อาชีพทำของอาชีพทำเสม่หโอน้นี่เรื่องใหญ่และแปลกนะของพวกเนี้ของพวกเนี้ก็จะมีเยอะตามงานสุเราและงานวันแปลกมากเลยจะไปหาหลวงพ่อที่ทำของทำเสน่ห์พวกเนี้เขาทำสุเราตามวันทำงานสุเราแลา้ว แล้วก็สากล น, นะหมายถึงว่าความรู้ชความรู้ที่จะให้พึ่งพาซึ่งกันและเขาเปิดเนี่หมอเขมินก็สอนแขกหมอแขกก็สอนเขมินกันสากลเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเรียนเรียนได้ทุกชาติชาติไม่ขัดข้องก็มีคนไปได้สูตรแขกสูตรเศรษฐศาสตร์จากอินโดจากอะไรนี่นะแล้วก็ไปเสริมปิเาโทที่เขมิน ใน2สองสูตรได้สองสูตรทำทั้งแกล้งขมิ้นอโอ้หนิขังคนที่ทำทีดอันนี้เนี่ยที่เราต้องช่วยกันพูดในสังคมเพราะยังมีเยอะเยอะจนเหนื่อยเยอะจนเหนื่อยจริงๆแทบทุกเรื่องเลยโรคมือดอะนะต้องมีเชื้อของพวกนี่ เ ย, ยินหนึ่งโดนของทาของน้อยน้อยนะีแต่น้อยมากไอที่เข้าไปในป่าแล้วก็ไปอะไรไปยุ่งก็ยินแล้วไอยินเออมามาเอาคืนไอที่ไปตัดต้นไม้ไม่ได้บิสมิลลาหนะ่ะยินเอามาเอาคืนอะไรเนี่ยน้อยส่วนมากมีมาจากหนึ่งทำสเสน่ห์ทำของเลี้ยงยินมาแล้วไหม่ทาบุญแล้วก็เบี่ยวเขา อันนี้เนี่ยต้องคุยต้องพูดมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกว่าในาคุณอ่านนีูดถึงเรื่องหินเรื่องมนุษย์แล้วพูดถึื่องกติกามีบ่อยครัง้งเขาคุณอ้พอผมพูด เ, เรื่องโลกมืดแล้วอธิบายในเรื่องหินเอามาจากไหนความรู้แบบนี้นี่ความรู้แล้วเธอามาจากไหนอี่คุณอา น, นเล่นเลยอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นครั้งแรกที่มีคนโ อ, โอ้ที่ผม อังคุณสุดนี่อะไรนามีรับนส์เต็มตัวบางตัวน่ะบ้างตอ้อัลลอฮฺเราได้อีวะยูซิงห์ละกันนี่เป็นหลักฐานว่าระหว่างนักเสีาสละแล้วก็ยินมีนะเขามีข้อตกลงแล้วผมก็เอาตัวอย่างของข้อตกลงที่นักเสียสละเป็นข้อตกลงเลยนะที่เขาทากันแล้วก็มีในวิพิธภัณฑ์นี่หรีอมีนะมีที่เคยมีนักเสีาสละทําข้อตกลงกับยินมีให้เห็นซึ่งมันสอดค้อง กับที่คุณอานใูดโอ้ผมมม่เคยดีเลยไอ้แบบนี้แลนี่คือนี่คือช่องบอกพร่งในการศึกษาของคุณอ่านที่เราที่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญบกรนานคนสามัญชนในสังคมเนี่ย กว่าจะรู้ว่าในุ้นมีสุเรียกว่าสุรอัลบากระคืออย่างดีที่สุดอย่างแจวที่สุดในชีวิตของข้าเนี่ยวูกาซีุนะุยาลาบรนุวลลุอซรบคอลซรบนจบก้นกจบแค่นี้เจะเป็นคนที่แบบว่าทบุญบ่อยนี่ก็ยาซีนี่ก็ยังพอไปได้แต่นจากนั้น่ะบกระอะม ยิ่งจะรู้ว่าบักระ้อนีเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธที่นาบีให้จะไดต่อสู้กับนักเสรศาศจะได้ล้านสิ่งของเสศาศที่เขาทำานะนะอันนี้จริงเล้วคนคนเก้าสบเกซ็นต์ยมีคุรู้อย่ว่าคนสามัญชนนะตักครูบางคนก็ไม่รู้ไม่รู้เอาบักระ้อนีมาอ่านชาวบ้านส่วนมาก น, นะส่วนมาก น, นะนกนนะในสังคมท่าที่เห็นนะโดนของอะไรพวกนี้อ่านยาซีนฉันไม่มี ไม่มีตัวบทนะตตวนของอ น, นีอนยซีนน่มีเลยเอามาจากไหนเขาบอกว่ายาซีนครอบจักรวาล้ได้ทุกอย่างกินบุญก็ยาซีนอากีก้ ก, ก็ยาซีนมลิดก็ยาซีนเปิดสุรายาซีนหมดนะทุกอร่งครอบจักรวาลดนยิงก็ยาซีนแต่มีตัวบทหมอะ ค, คุณจะน่งเกินสรรพคุณของกุณอ่านได้ไงอ่อัลลเป็นผู้ชี้แนะเป็ น, น, ปนอัลลเป็นผู้บอก พูดสอนว่าอันนี้ใช้กับอันนี้การเผยแพร่ความรู้แบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือจำเป็นนะนะมันเป็นเรื่องเนื้อหาของศาสนาที่จะป ร, ะรับโครงสร้างชีวิตชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องทีคนคนที่ไม่ได้ไม่ได้ประสบกับปัญหาเรื่องรคมืดเนี่ย อาจจะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกว่าคนมีปัญหาเ้ายังไงชีวิตเขาพังหมดเลยนะอย่างนักเสียสารเนี่ยคนที่ไปผูกพันกั บ, กบเรื่องยิ น, นยชีวิตเขาพังไปหมดเลยพังหมดทุกอย่างในชีวิตเนี่ยขึ้นอยู่กับของไอ้นี่ห้าร้อยบาทให้ให้หลวงพ่อทำของเสร็จเดี๋ยวไ้อิหมามทำเสร็จ เด็กชอบผู้หญิงคนนี้อิหมั่นชอบเด็กคนนี้แต่มันไม่มองหน้ากูเลยก็ดูกูจัดการเห้ชีวิตชีวิตนี้ถึงขั้นที่ขั้นที่ไม่ใช่คั้นดีนะถึงขั้นที่ผู้หญิงทำเสน่ห์ให้ผู้ชายรักจนหลงและแต่งงานพอแต่งงานเสร็จแกผู้หญิงเกิดสำนึก ก็าถามวาแอนตี้เขาทำสามีเนี่ยจนมาแต่งงานเนี่ยมันจะซอกไหมเนี่ยดูดิเห็นแม้ชีวิตเนี่ยมันโอ้แล้วก็เขาทาแล้วอะไรแล้วใช่ป่ะมาสำนึกแล้วเนี่ยก็ต้องมาโยนปฏิกรณให้ให้ตัวคุณมช่วยแกช่วยให้คาตอบ ตกลงแต่งงานกับสาวผิวแบนี้ซ้อมอ่ะเนี่ยหลงหลงนะจนจนยอมแต่งงานกับเขาแล้วเก็ดแต่ ง, งานพรแต่งงานเสร็จแล้วนี่ก็ก็หายไงหายแล้วก็อยู่อยู่กันอย่างเงี้ยผู้หญิงก็เข่งศาสนาแล้วผู้ชายก็เข่งศาสนาแล้วคือไม่มีแล้วไม่มีโรคมืดล้วแต่เขาสําเรืงไงบอกว่าคือที่ได้มาเนี่ยพอไปทำของมันอ่ะมันจะซ้อมไหมเนี่ยตกลงคําตอบตกลงบรรยายนเสร็จแล้วจะบอกไง ทังนี้การเฝ้าระวังการงานของเราที่จะสะสมผลประกอบการงานดีหรือไม่ดีของเราเนี่ยมันต้องเกิดจากระบบเฝ้าระวังเหมือนความปลอดภัยในอาคารในตัวเราเนี่ยเราจะรักษาสุขภาพยังไงเราต้องมีระบบเฝ้าระวัง คนอย่างอายุ40 50, 50ปีแล้วพอเริ่มคอแห้งพอเริ่มชีบ่อยพอเริ่มรู้สึกปวดตรงนี้พอเริ่มพอเริ่มเดินไปที่รู้สึกมี ด, มตดมนตรีครรครรครรครรครรครรครรครรครรครรครรครร่ารครรครรครรครรครนครรครรครรครรครรครรครรนอ า, า ไ, ปนอไปรารรครรคแรครรครรครรครรครรครรครบครรครรครรคครรครรครรครรครรค ไม่สนใจอาการอาการเจ็บปวดข้างๆตรงไตเนี่ยปวดเป็นอาทิตย์แล้วก็ไม่สนใจอ oh, ๋อคงที่ไปเดะบอลมึงตรงตรงอ๋คงที่ไปล้มตรงนั้นน้งไม่มีระบบเฝ้าระวังยไม่มีอะไรี่มันเตือนภัยข้างในอ่ะสุดท้ายนี่อุ่นกลางคืนนึงก็ตรงลากไปโรงพยาบาล ร, รอดไม่รอดก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะเราเราต้องมีระบบเฝ้าระวัง พรบุเฝ้าระวังนี่มันจะต้องเกิดจากความสำนึกว่าเรามีพระเจ้าที่ตรวจสอบดูแลเราวละพระเจ้าของพวกเจ้านั้นม่ใช่เผลอไผในสิ่งที่พวกเขากระทำกันพวกเขานี่ก็คือยินและมนุษย์เนี่ยเลาไม่เผลอในสิ่งที่พวกเขากระทำ เราที่ถูกอธรรมจะกินและมนุษย์ถูกอธรรมจะกินโดนของอย่างเงี้ยโดนมนุษย์ทำโดนยินทำแล้วก็บอกว่าอย่าต้องรเราเผือนะเรารู้นะอันนี้เป็นการปลอบใจและเป็นการช่วยให้เราเนี่ยได้อาศัยอาศัยพึ่งพาซึ่งซึ่งบารมีของอัลลอฮ์เนี่ยในการระมัดระวังในครั้งต่อไป อัลลอฮ์ไม่เพื่อจากสิ่งที่เขาทํานี่ถ้าว่าเราเนี่เป็นเขาอะล่ะที่เขาทำนี่หมายาถึงว่าเขาทําชั่วอัลลอฮ์ไม่เผื่อนะแสดงว่ามันจะมีวันที่จะจัดการถ้าเราทําดีอย่าคิดว่ามันจะสูญหายนะอัลลอฮ์ไม่เผื่อนะมันจะมีวันแห่งการตอบแทนแต่ทําไมอัลลอฮ์ใช้คำว่าอัลลอฮ์ไม่เผื่อไผ่อะ ใครไม่มีพุทธะคนหนึ่งเชื่อว่าอัลลอฮ์รับฟิลอัลลอฮรูลลอฮ์ไม่เรื่องอ่ะมีมีมุ่งมินที่ไหนเชื่อคือถ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่เรื่องอ่ะเราจะมีมุ่มินแล้วถูกต้องไหมแต่ทำไมเราบอกว่าอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เผลอไผ่นะใครจะคิดล่ะคือการที่เราไม่มีระบบเฝ้าระวังแล้วก็ ปล่อยปะละเลยในการที่ระวังตัวและก็ระวังคนอื่นเท่ากับเราเชื่อว่าเราเพอผัยยังไงอเอามนุษย์กับมนุษย์ก่อนนะมนุษย์รเลมมนุษย์อาธรรมคนอื่นแล้วคนนี้ไม่มีความศรัทธาคนนี้ก็สิ้นหวังง่ายอะหนูโชก แย่ yeah, หรือเกินทำไมต้องมาเดินทำไมต้องมาเที่ยวแถวนี้ทำไมคือคิดนานๆเหมือน ค, ค, คนเมื่อวานนี้มานั่งคิดกันแบบเนี้ยนะเวลานี้ก็หมอบอกแล้วไงว่าดวงในช่วงนี้มันไม่ดีไอ้นี่มันเออมัน <c oughs> คิดนานๆเลยนะไอ้นี่แหละเนี่ยมีค่าเดียวกับการที่เชื่อ ว, ว่าลราเผลอผา ที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเราไม่ได้เผื่อนานเราเป็นผู้จัดการหมดเลยทําไมอ่ะมีเหมาเพราะเราไม่ไม่ใช่พระเจ้าเหอเป็นพระเจ้าที่รอบรู้แล้วก็มีความเหมาะสมในทุกการจัดการของพระองค์ต้งเชื่อถ้าไม่เชื่อแบบนี้นะโอ้ชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของเรานี่มันจะไม่มีอะไรที่เป็นเหตุผลเลยหกล้มทาไมต้องหกล้ แล้วทำไมฉันหกลม้มคนนี้ไม่หกลม้มอ้าวถามไปดิและมีความชอบทําในการถามแบบนี้ใช่ไหมคือถ้าจบแล้วก็ไม่มีพระเจ้าไม่มีอัลลอฮ์าจัด ก, การไม่มีนะโอ้ยถามมันหยุดไม่ได้แล้วก็ไปห้ามเขาถามไม่ได้นะถามถาส่วนมากที่เพี้ยนกันเพราะอะไรเพราะนี่แหละจบแล้วเรื่องศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในเดชะหรือว่าอัลลอฮ์นี่นะจบเลยเรื่องความอดทนเรื่องสบันเรื่องเชื่อในวันปรโลกเรื่องปลอบใจว่าเออเราก็ต้องอดทน เดี๋ยวนี้จะแก้แค้นยังไงอ่ะจะเอาคืนยังไงกับคนนี่ทำเราคนนี่สุลุ่มเรารู้รู้เห็นเห็นนะนะคนที่ขมโมยคนที่ขมโมยควายจากบ้านกูนี่เห็นเห็นเลยแต่ไม่กล้าชี้พอชี้แล้วอ่ะนะไม่มีหลักฐานอ่ะนะเราเนี่ยโดนฟ้องในที่คุกเห็นเห็นเลยแต่ไมีไม่มีหลักฐานตอนนั้นไม่มีมือถือทำไม่ได้อ่ะทำไม่ได เชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่เผอใช่มเราอันนี้ไม่ได้เก็บหลักฐานแต่ใครเก็บหลักฐานไว้อัลลอ์เก็บหลักฐานอัลลอฮ์ปรับใจว่าถ้าไม่มีใครเอาคืนในเราในในโลกนี้น่นเดี๋ยวอัลลอฮ์จะจัดการให้ในวันเถ้าเรามีระบบนี้จบเลยวมรบบุคคลอเราแล้วระเจ้าของเจ้าอันนี้อัลล์ก็มีมฮัมมัดและกับผู้าทุกคน พอคุณอานยมาพวกกทุกคนพระเจ้าของเจ้ารั บ, บุกะพระเจ้าของเองน่ะนะไม่สบายกฟิน ไ, ไ, ไม่ไไม่ด้เป็นเพอไผ่ไมไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ไม่ไม่ได้รับรู้ไม่รเรื่องอะไรเลยนะปล่อยให้โลกเป็นอย่างเนี้ยใครจะทำใครก็ทาใครกินจะทาอะไรก็ทาไม่ได้ซีซี่ีาไปแล้วในส0 0พนคน เห็นเห็นกันเลยหลักฐานก็นมีโลกก็รู้แ้วเรื่องนี้มันยังไงไปที่ไหนนี่าก็ถูกต้อนรับแทนที่จะเอาคาตกรติ ด, ดคุกกันไม่ทุกประเทศนี่ถูกต้อนรับคาตกรที่แท่เลยพอแม่คนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาจะคิดยังไงเขา จ, จะเข้าใจยังไงถ้าเขาไมาาานาน่มีญะเกินต่อเราวลาห์ัสซาบันนัลลอฮ์ฟินมอื้ สุรัตอิบรออิบรอล حسب ว่าอัลลอฮ์ทรงกรา ل ิลั่นัมม ي ยะมัน ل ผู้นี้คิดว่าอัลลผืนะยังคิดว่าเผลอไผในสิ่งที่ซาลิมุนสิ่งที่พวกซลิมเนี่ยเขาทำกันอัลล์ไม่เผลออ يؤخرهم ل ي و م تشخص في لبصر ต่ลลนที่อักการเขาจนถึงวันที่ทุกคนเนี่ยดวงตานี่มันจะทะลักออกมาเนื่งความ ตกใจอ่ะคนเราีนเวลาตกใจเห็นมะตามันจะกว้างเนะนี่ไม่ใช่กว้างเนี่ยตามันจะสกดัดเข้าสมมันจะถลักออกมาเพราะรู้เนี่ยเห็นความจริงไงอัลลอะทิ้งโอกาสประวิงโอกาสในีคนเยวไปวันเกียมมาแล้วก็เดี๋ยวเจอของจริงแต่ไม่เผลองเป็ ส, สุภาพสิท์คนที่ถูกอาธรรมเนี่ย เวลาไม่มีศาลไม่มีวิญญาณศาไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีตำรวจไม่มีผู้ทรงบารมีจะมาช่วยเอาคืนสิทธิของเขาอ่ะนะเขาก็จะบอกว่ายุ um hil, uh ่มหิลว่ลายุมมิลมันเป็นคําศัพท์ที่คล้ายๆกันแต่คนละความหมายกันยุมห um ิลอัลลอฮฺประวิงว่าลายุมมิลแต่ไม่ทิ้งไม่เผออัลลอฮฺประวิง แต่ไม่เผือไม่ทิ้งไม่ลืมใครเลกวะในกในโลกเรานี่นะทุกคดีมี้มีอายุความส่วนมากนะอายุความนี่นะขมโมยกันลักทรัพย์บ้านเมืองแล้วก็หนีกันยี่สบสาสปีกลับมาไม่เลิกกันเมืองต่อมันจะขมโมยต่อ แล้วก็พว่าประชานก็ไปได้ไงเขาก็พูดดเต็มอ อ, ออกเต็มปากเลยนะอายุความมันหมดแลนะ้วไงความเป็นโจรนนะ่ะความเป็นเซนต์บานโจรนี่ยมันจะหมดง่ายๆแบบนั้นเลยหรือแล้วมันไม่มีอะไรที่บง่งถึงว่าเขาไปเติบัตรตัวเช่นขโมยไปแล้วนี่หมื่นล้านเอเอามาคืน ขอเคลียร์ขอเติมบัดตัวฉันเอาหมื่นล้านเนี่ยไปทำธุรกิจได้มา 15,000 ล้านผมขอแบ่งให้รัฐ บ, บาลเนี่ยหมื่นสองพัเออสแสดงว่าแมนว่าแมนว่าแต่นี่เอาไปแล้วเนี่ยไปช้าจนหมดแล้วนี่กิดไม่จะกิดมาเอาอีกทำไมอ่ะบ้านเมืองนี่มนันโง่หรือเปล่าขโมยง่ายไงขโมยทุกอย่าง ข้าวก็ขโมยยางพราขโมยขโมยขโมยขโมยตังในธนาคารแม่งก็ขโมยขโมยเฉยเลยบรรยากาศเหล็กตังนิดนึงมันก็เลยพาไปหน่อยไ <c oughs> กละกละไกลละรับไปวิ่งเวลา ยวมันจชั่วฟีลเอาเปตวอยะเดียวตรงนี้หลังจากที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงเรื่องยินและมนุษย์เนี่ยเป็นการตั้งกติกาให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจโครงสร้างชีวิตของตัวเองอยู่ในโลกนี้เนี่ยมีศัตรูที่อัลลอฮ์บอกว่าในคุตอาลงไปเฉยตอนมีหน้าที่ในการทําความดีอย่าไปพึ่งพาใครนะสะสมความดีด้วยตัวเองด้วยน้ำเมืองตัวเองอย่าไปอาศัยให้คนอื่นมาช่วยนะ ยิช่วยไม่ได้นะมนุษย์ช่วยตัวเองไม่ได้นะตัวเองต้องต้องขยันด้วยการขยันของตัวเองนี่แหละอัลเลสลิอินซานิลลามซหละกันวัลเลลิอินซานิลลามซลลกันอัลลอฮบกวาซฮอบรีมมูซาล้กอ่ในุรานด้วยเนี่ยวัลเลลิอินซานิลลามะซาห์นุษย์จะไม่ได้อะไรนอกจกที่ตัวเองขวนขวายเองสะสมเองและการไม่อยู่ตั้งแต่ คันธีของน บ, บีบรอยฮิมเ0็ดพันปีท่านถึกถดอมบันถูกสอนมาถูกถ่าโทษมาว่าไม่มีใครช่วยเราได้อิลลามัสอาสะสมนี่โครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันน่าจะทำให้ประชาชนอิสลามหรือผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นคนที่ขยันมากที่สุดมีอรารยธรรมมีความเจรยนก้าวหน้ามากที่สุดขยันดิอ๋อศาสนาสอนเราขยัน ไม่ได้สอนให้เรานีอาศัยคนอื่นอาศัยคนอื่นเดียวจะทำาอะไรนี่คนอื่นทำไม่ได้ต้องเข้าใจเนี่ยคือคือโลกเนี้ยเาแบ่งนะโลกเนี้ยเราจ่าว่าอินรรยกุมชัการขยันของแต่ละ กลุ่มของมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเราไม่ดีเราก็ต้องขยันเนีโอ้เราอย่าไปใช้ซัมซุงอย่าไปใช้ไอโฟนเราเราต้องเราต้องผลิตของเราเองเราต้องมีมือถือเราอย่าไปซื้อรถของเขาเราต้องผลิตโอ้ตเ ก, ตททกรเราต้องทำทุกอย่างใช่ไมเธอต้องทำทุกอย่างคนอื่นเขาก็เขาก็ปลูก ข, ข้าวเองเขาก็ไม่ซื้อข้าวเราเอ็นไหมเออคนอื่นเขาก็เย็บเสื้อผ้าเองเขก็ไม่ต้องซื้อเสมากผ้ากเราอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ เขาบอกว่าเราอาศัยคนอื่นทุกอย่างเหรอทุกอย่างเหรออย่างประเทศบางประเทศเนี่ยทำอะไรน้ามันขายน้ำมันเย็บเสื้อเป็นไหมไม่เป็นปูข้าวเป็นไหมไม่เป็นทํานมปังเป็นไม่ไม่เป็นสั่สงคนจากข้างนอกนี่ ม, มาทําไห้หุงข้าวเป็นไหมไม่เป็น ชอดื่มกาแฟาชงกาแฟาเป็นไหมคือไม่เป็นสั่งคมาชงกาแฟาให้อแบบนี้ยู่ังไงน้ำมันหมดละถ้าน้ำมันหมดละจบดิอะไรอเียในบ้าน คือเราต้องมีอะไรที่ทําให้คนอื่นต้องการเราชิคชินคนอื่นเนี่ยเขาผลิตอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเต้องการเขาอยู่ได้ไหมไม่มีมือถืออยู่ได้ไหมนะอยู่ได้อ่ะอสำหรับผมนี่อยู่ไม่ได้ต้องยอมล้ไม่มีมือถือนี่คืออยู่ไม่เป็นสุขอะ ไม่ไม่ไมไ ม, ไ ม, มบูรนะมีปัญหาแน่นอนเป็นนะรเชื่อนะยามันล่าสุดเนี่ยหลังจากนี้เลือกตั้งแล้วก็อีแมทนี่เมือคลนนี่ได้นะีแมนีม่นนได้ละได้สมัยที่สี่สมัยที่สี่ อยู wa, hey, ่บนบอลลังนี่ยกว่าปีแล้วไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยมีประชาธิปไตยตรงไหนวัเนี้ก็ประชาธิปไตยเขาก็เลือกแล้วก็เลือกเสียงน้อยกว่าอุดุการนะที่ได้นี่นะเสียงน้อยกว่าที่อุดรการได้นะแต่าเป็ประชาธิปไตยพอประชาธิปตยมากกว่าเขาเนี่ยโดนกันนะกันแหนวเสียงน้อยนะก็เลยมีข้อมูลเกี่ยวกับเยอรมัน ทุกวันนี่ในเยอรมันรายได้ส่วนมากของประทชาติบ้านเมืองเน่นะมาจากฮะเทคโนโลยีอะไรรถยุนยุรายได้ส่วนมากของเองนะาางอ ย, รยอยรมันนะขายรถทำไมย่าโลกนี้อยู่ไม่ได้อ่ไม่มีไม่มีเบนไม่มีเอ็ไม่มีอีกอะไรอีกสองสอันนะฮะโอกี้โอเบิ์อะไรของเขาเนี่ย โลกอยู่ไม่ได้เหรอสำหรับคนไทยน่ยอยู่ไม่ได้ไม่มีเบ้นน่ยอยู่ไม่ได้จะไปหัดชาวบ้านยังไงจะไปเทยังไงจะไ่อะไรยังไงอันนี้มันอยู่ในเลือดฮะเยอรมันรู้เกาหลีก็เหมือนกันเดี๋ยนี้รายได้ส่วนมากของประเทศชาตินี่จากอะไรซัมซุงซัมซุงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มือถืออย่างเดียวนะ ซัมซุงมันสร้างเรือสร้างเรือดำน้ำสร้างทาวเวอร์นั่นนหะของของค อ, อลิฟาที่มาเลเซเนี่ยทาวเวอร์สรูงสุดเนี่ยซัมซุงนะสร้างตึกด้วยนะไม่สร้างมือถืออย่างเดียวนะสร้างเรือสร้างบริษัทเดียวและสุดท้ายนี่ยเจของบริษัทมีโดนข้อหายักเออจ่ายสินบนเท่าไหร่อะไรละ เ <laughs> ท่ากับกองขนมตระก่อนนู้นน้ำ <laughs> ข้าวสาร น, นี่ขนมเค้กไม่อะไรนักหนากะช้ามากแต่มันต้องอย่างนี้ไงมาได้ถึงจะเลืงง่นไงแค่ฮาลันนี่ปดประธานาธิบดีปดเลยนะลงแล้วกา็ลูกเจ้าของบริษัทที่รวยที่สุดติดคุก ม, มันต้องอย่างนี้ง <laughs> นนไงบาลังเป็นยังไง เดียวยาวเดยยาวลากยาวนาบีนบีบอกว่าฮะทิสบุิบมัลอะฮฺวัดถ้าพวกเจ้าวันเกียร์มาเกิดขึ้นพวกเจ้าในมือเนี่ยมีต้นไม้อยู่นะสามารถเอาไปเพาะได้ต้นมะวันเกียร ม, มาหนีินึกออกมนะวันเกียร ม, มาหนิดวงอาทิตย์ใครคนหนีหนีพ่อหนีแม่นะ่ะแม่บอกว่าขอความช่วยเหลือนะัะหนีทำนะไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะ นล้วพีบกาะมีต้นไม้ไนเนี่ยนะอเพาะได้เนี่ยเอาไปปลูกซะคือาเรามีอุดมการแบบนี้เนี่ยในการพัฒนาตัวเองนประชาอิสลตยนจะเป็นประชา ธ, ลาาธเลที่สุดแต่อุดมการอุดมการแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่มีจิตอาสาในการปลูกตน้นไม้เยาวันเกียร์มานะแบบสุขสบายยังมีนะ เรามีความบังอาจที่จะฉีรรถต้นไม้ต้นไม้นี่มันตายโดยที่ไม่สํานึกเลยว่าเราทำบาปบ้าขับรถไม่มีปั๊มัน่มีอะไรในะบบฉีฉีทุกที่ก็ได้ฉีรรถใส่ต้นไม้ซะเฮ้ยต้นไม้ในป่าไม่เป็นไรหรอกนีน่ประเทศที่เป็นประเทศพืชผลประเทศป่านะยุโรปมีหลายประเทศเลยนะ ทุกต้นไม้เนี่ยถูกจารึกนะมีมือ ม, ม, มีเบอร์นะมีตัวเลขนะนี่ไปดูดิทรถไฟฟ้านี่เวลาทาถนนตัดใหม่นี่ไปดูดทางทางเพชรเกษมดูตัดทีหนึงโอ้โหโคต้นไม้มันเจ็บเจ็บจริงจริงนะมันเหมือนต้นไม้เนี่ไม่มีค่าเลยอ่ะยิ่งถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายไม่มีราคาการเลี้ยจะว่า เราไม่มีอุดมการที่จะมามาจำกับชีวิตของเรารวมถึงอุดมการยนี้อ no ุดมการยิ nice. ่งใหญ่ที่พวกเราจะต้องเชื่อมั่นครับว่าโลกนี้เริ่มต้นมายังไงเราจะไปถึงไหนเราต้องทาอะไรเราต้องเตรียมอะไรไปทั้มดนี้มันก็เป็นสิ่งเดียวเราทสศพพวกเราขอฝากเป็นค่นี้นะครับอสลหะมฮัมมัดวะลัยฮุสซอสลัมซัลลัมอะลัยุราะมุอฮ์ อ่านีีกอาา่ะซ้อใช้ได้ก็ใช้ได้แล้วไงคือคนที่โดนโดนของเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าจะขาดสติตลอดเวลาคือในเมื่อพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้ขาดสติตอนไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกครอบงำตอนแต่งงานพิสูจน์ยังไงอ่ะก็หลังจากแต่งงานเขาก็คืนสติแล้วใช่ปะ เขาก็อยู่ต่อไม่ไม่ได้ไม่ ไ, ม ไ, มไมเอ้ยกูะมาอยู่ที่นี่งไงเ อ, เอ้เป็นใครอะไรเนี่ยอถ้าแบบ น, น, นั้นน่ะว่ากันได้เพราะหมนั้นิรุธัยีถูกถามว่าถ้ามีคนโดนของให้ย่าภรรย า, รยาให้ย่าภรรย า, รยา <c oughs> ถือว่าตกไหมถือว่าหย่าไหมโอลมาส่วนมากโ<ไ>อลมาส่วนมากว่าถือว่าหยา่าทำไมอ่ะเขาบอกว่า ถ้าเราบอกว่าพระตัวบอกว่าใครโดนของเนี่ยอย่านี่ยไม่ซ้ทุกคนอยู่ในหย่าแล้วแล้ ว, ลวก็แล้วก็ไม่อยากจะให้มันมีผล น, นะนะเขาบอกอ๋กูดนของกูดนของมาก็เลยอย่ากูดนไอนีม่มาก็เลยหย่ามันก็จบไม่จบดิไม่แต่อีมุตเตเมียอิมุตเตเมียเขาบอกว่ามีพระตัวเขาบอกว่าให้พิสูจน์ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขาดนของแล้วก็ถูกข้อบนำสติ จ, จริงไงนะ อย่างนั้ น, นไม่มีผลซึ่งมีความเป็นไปได้ไหมมีคนที่แบบว่าดนของถึงขั้นดี่ดนของถึงขั้นดิไปกินไปกินหมูกินหมาเลยนะไปกินห ม, นะไนหมูไปกินเนื้อหมูเลยนะแล้วก็พอฟื้นตัวเนี่ยผมก็ไปกินไปกินเนื้อว้าวไม่ได้ไปไ ม, ไม่รู้ตัวเลยนะแสดงว่า เป็นไปได้ว่าเออขอบงาสติอย่างเต็มที่เลย